บทที่79เทศกันสุดท้ายวันที่15สิงหาคมพุทธศักราชับดบรรดาลูกศิษย์ได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอย่างสมเกียรติที่สุดหลายคนรู้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยอีกสองเดือนข้างหน้าท่านจะต้องประสบอุบัติเหตุถึงแก่มรณภาพผู้ที่ยังตัดไม่ลงปรมไม่ตกก็พากันแอบร้องไห้ไว้ล่วงหน้าพระบววัวเยวนั้นแม้จะตัดใจได้หากก็ยังรู้สึกเสียดายอะไรอวรในความคิดของภิกษุหนุ่มปูชนียบุคคลเช่นนี้ท่านพระครูคงหายากนักในโลกอันแสนวุ่นวายนี้ แจกันสีคลามัรจุดอกดาวเรืองสีเหลืองอาร่ามตัดกับสีเขียวของใบเตยดูสวยแปลกตาภิกษุเชื้อสายยวนตั้งใจตกแต่งอย่างประนีดที่สุดด้วยรู้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงกะตัญยูกะตะเวทิตาธรรมต่อพระอุปชายาจาร์วงมโหรีปีพาสที่มาบรรเลงในงานเป็นวงเดียวกันกับที่เคยมาเล่นทุกปี ทว่าครั้งนี้คนฟังกับรู้สึกว่าแต่ละเพลงที่บรรเลงนั้นฟังเศร้าส้อยเสียดลึกเข้าไปในหัวใจหัวจิตไม่ผิดกับที่บรรเลงในงานศพหอประชุมหลังใหญ่ขนาดเจ็ดคูน20สบวาสิ้นเงินค่าก่อสร้างหนึ่งล้านหบาทเสร็จทันเวลาที่ได้ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันเกิดครั้งสุดท้ายของท่านสมพาน ผู้ซึ่งสั่งเสียพระเบอเฮียไว้ว่าให้ใช้หอประชุมแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้สนใจใคร้ธรรมตลอดจนญาติโยมผู้มีความทุกข์เพราะต่อแต่นี้ไปจะไม่มีผู้ใดมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือขจัดปัดเป่าทุกข์ให้เหมือนเช่นแต่ก่อนพวกเขาจะต้องแก้ไขปัญหาแก้ทุกข์ด้วยตนเอง โดยการมาเจริญกรรมาฐานสำหรับหมูลเลนทิธิทุนส่งเสริมสมองนั้นมีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารกว่าครึ่งล้านบาทเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้มอบหมายให้พระมหาบุญเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมาการนำดอกผลมาใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนส่วนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์วิปัสสนากรรมาฐานซึ่งเท่าแก่เิง และเท่าแกบบกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิ์ขึ้นนั้นพระโบเฮียลจะเป็นผู้เก็บรักษาและนำมาแจากญาติโยมที่สนใจในด้านการปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดหรือข้างค้างท่านพระครูเจริญคิดว่าท่านเตรียมตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและคงจะยังไม่มีผู้ใดทาได้เช่นนี้มาก่อนเวลาก้านาฬกา บรรดาศิยานุสิต ท, ทั้งพระและคารวะพากันทยอยเข้ามาถวายดอกไม้สดและกราบคารวะท่านพระครูผู้ซึ่งนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่บนตังไม้สักสลักลายกระหนกอ่อนจ้อยงดงามเบื้องหน้ามีแจ ก, กันและกระเช้าดอกไม้ตั้งเรียงรายจนล้นออกไปทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวารับประเคนดอกไม้จากสิทธิ์แล้วท่านจึงนำสิ่งของ ไปมอบให้โย ม, มารดาด้วยวัยเจที่นั่งพับเพียบอยู่หน้าอาสนะสงฆ์ของที่ท่านนำไปมอบก็มีผ้าจงกระเบียนลายไทยหนึ่งผืนเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้อย่างดีหนึ่งตัวแล้วก็ปัจจัยอีก200บาทท่านประคองห่อของขวัญเดินไปคุกเขา่าตรงหน้าโย ม, มารดาวางของไว้ทางด้านขวามือและก้มลงกราบมารดาสามครั้ง แบบเดียวกับกราบพระด้วยถือว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรกราบเสร็จก็หยิบห่อของขวัญมอบให้โยมแม่อตมาขอกราบลาขอให้โยมแม่จงมีอายุยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิท่านอวยพรโยมมารดาท่านจะลาไปไหน โยมานดาถามอาตมาจะไปบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีต่อในปรละโลกวันที่ส4สี่ตุลาคมอาตมาจะออกเดินทางพระลูกชายตอบคำถามโยมมานดาขอให้โชคดีขอให้ปรรลุมักผลสมดังความตั้งใจนะท่านนะไม่ต้องเป็นห่วงโยมพี่ๆของท่านเขาคงจะดูแลโยมได้อย่างดีอาตมาขอกราบขอพระคุณ พร้อมกันนี้อาตมาก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม่หากอาตมาได้พลาดพลัง้งล่วงเกินโยมแม่แม้ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมนโนกรรมขอโยมแม่โปรดอโหสิกรรมให้อาตมาด้วยโยมอโหสิกรรมให้ท่านทุกอย่างและโยมก็ขออโหสิกรรมจากท่านเช่นกันอาตมาอาโหสิกรรมให้โยมแม่ ท่านก้มลงกราบโยมานดาอีกสามครั้งแล้วจึงลุกขึ้นเดินกลับไปนั่งพัะเพียบบนต่างไม้ศัก์เวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์เก้ารูปซึ่งนิมนต์จากวัดต่างๆในจังหวัดเริ่มเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมจากไปจนถึงเวลา11นาฬิกา29นาทีจากนั้นโยมก็ช่วยกันประเคนพัตนาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9้ารูป และพระภิกษุสามเณรแห่งวัดป่ามะม่วงซึ่งมีทั้งสิ้น9ก้าสิบรูปรวมทั้งท่านเจ้าของวันเกิดเป็นปีที่พระเนนจำพรรษามากที่สุดนับตั้งแต่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ภิกษุวัยห้าสิบเศษมีทีท่าว่าจะไม่ฉันพัฒหารเหมือนเช่นเคยนายสมชายจึงไปกระซิบอาจารย์ชิดให้ช่วยขยันขยอให้ท่านฉันบุรุษวัยหบสี่ จึงคลานเข้าไปนั่งคุกเข่าตรงหน้าตางประนมมือแล้วกล่าวว่านิมนต์หลวงพ่อฉันสักนิดเถอะครับลูกศิษย์ลูกหารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นท่านไม่ฉันท่านพระครูมองอาหารหวานขาวที่ลูกศิษย์จัดใส่พานกะไหล่ทองมาถวายแล้วจึงฉันไปสองสามคำ เพื่อไม่ให้พวกเขาเสียน้ำใจเสร็จแล้วจึงรวบช้อนยกถ้วยบรรจุน้ำชาขึ้นเดิมตลอดชีวิตของท่านไม่เคยที่จะติดใจลหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจกรรมคุณห้าไม่เคยมีอิทธิพลเหนือความรู้สึกนึกคิดของท่านเมื่อภิกษุและสามเณรทั้ง99รูป เสร็จจากชั้นพัฒหารบรรดาญาติโยมช่วยกันประเคียนจตุปัจจัยทยธรรมปัจจัยที่พวกเขาถวายท่านพระครูมีจำนวนกว่าสองแสนซึ่งท่านตั้งใจว่าจะนำไปสมทบทุนโูลนิธิทุนส่งเสริมสมองต่อไปจากนั้นอาจารย์ชิตจะประกาศทางไมโครโฟนว่าท่านพระครูจะแสดงธรรมเทศนาโปรโดโยมมารดา และญาติโยมเพื่อให้ฟังให้ได้บุญอันเกิดจากการฟังธรรมที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าธรรมัสวนรณไม่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอารัมพบทก่อนแสดงธรรมว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพและขอเจริญพรแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่านอาตมารู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาญาติโยม และศิยานุสิ์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้อัตมาเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้ทาบุญสร้างกุศลร่วมกันกิจกรรมดังกลาวนี้แม้จะไม่ได้มีบัญญัติไว้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากพุทธศาสนิกชนก็ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณี คือประเพณีทำบุญวันเกิดอย่างไรก็ตามการจัดงานวันเกิดที่อาตมาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือการร่วมวงสวนเสเฮฮาดื่มสุรายาเมากันเพราะการกระทำเช่นนั้นนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปอีกด้วยบางคนดื่มสุราเสื้อเมามายในวันเกิดแล้วขับรถไปชนถึงแก่ความตายก็มี ญาติโยมลองพิจารณาดูการตายแบบนั้นมันดีหรือไม่ดีอาตมารับรองว่าเขาจะต้องไปสู่ทุกขติเพราะคนที่ตายขณะขาสตินั้นไม่มีทางที่จะไปสุขติได้อาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะขอญาติโยมอย่าได้ไปจัดฉลองวันเกิดกันแบบนั้นเลยเพราะนอกจากจะหาประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ยังสิ้นเปลืองเงินทองอีกด้วย บรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ไม่มีผู้ใดคิดโต้แย้งหรือคัดค้านสิ่งที่ท่านพูดบางคนที่เคยทำเช่นนั้นก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกเอาละในโอกาสที่ญาติโยมได้พร้อมใจกันจัดงานวันเกิดให้อัตมาในวันนี้อัตมาจะตอบแทนบุญคุณโดยการแสดงธรรมเทศนาให้ญาติโยมฟังโดยจะเทศเรื่องพระคุณแม่ และก็คงจะเป็นการเทศครั้งสุดท้ายเพราะปีต่อๆไปคงจะไม่มีการจัดงานวันเกิดให้อัตมาอีกท่านบอกเป็นในๆซึ่งหลายคนรู้ว่าท่านหมายถึงอะไรที่อัตมาเลือกเทศเรื่องพระคุณแม่ก็รู้สึกทราบซึ่งในพระคุณของท่านถ้าไม่มีแม่เราทุกคนก็ไม่ได้เกิดอันนี้ก็เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ผู้ใดก็ตาม ที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อฟังเทศแล้วให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอศีลขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็ให้น้าถูบเทียนแพรไปกราบขออาโหสิกรรมล้างเท้าให้ทันด้วยก็เป็นการขอขมาลาโทษบางคนไปรังเกียจคุณแม่ว่าแกเท้าไม่สวยไม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกยียจจึงเป็นโกงเกวียนกำเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกใครที่คุณแม่ล่วงรับไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญเรกการมาเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ก็ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และก็ผู้รับคนฟังซึ่งมีทั้งพระภิกษุสามนเณร และคารว่าต่างก็พากาัน ร, รำลึกนึกถึงมารดาของตนคนที่เคยเถียงพ่อเถียงแม่คําไม่ตกฟากและเพิ่งจะรู้ตัวว่าได้สร้างกรรมทำเข็นไว้กับผู้บังเกิดกล้าวจึงคิดจะกลับไปทำตามที่ท่านพระครูแนะนาญาติโยมโปรดจำไว้วันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจจะต้องเสียชีวิต การออกศึกสงครามเป็นการเสียงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อชั้นใดาการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ชั้นนั้นในสมัยโบราณที่วิทยาการต่างๆยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้อัตราการตายเพราะการคลอดลูกมีสูงมากคนโบราณเ็าจึงกล่าวว่าวันเกิดของลูกก็คือวันตายของแม่ เมื่อคลอดลูกแล้วแม่ก็ยังต้องประครบประงมเลี้ยงดูให้ดื่มเลือดในอกเป็นอาหารยามที่ลูกเจ็บป่วยก็อมยาพ่นฝนยาทารักษากันไปตามมีตามเกิดแม่เฝ้ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูจนเติบใหญ่กระทั่งลูกแต่งงานมีเย่ามีเรือนไปแม่ก็ยังเฝ้าห่วงใ ย, ยรักใคร่ไม่จืดจางท่านหยุดจิบน้ำชาจากถ้วย แล้วจึงเทศนาต่ออาตมาเห็นความทุกข์อย่างแสนสาหัสของคนที่เป็นแม่ก็ตอนที่เป็นหมอตำยาทำคลอดให้ผี่สาวแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านพ้นมาเกือบ4ี่สิบปีก็ยังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ติดตาติดใจมากระทั่งทุกวันนี้ อาตมาจะเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหยุดทบทวนเรื่องราวแต่หนหลังแล้วก็เล่าว่าสมัยนั้นอาตมาอายุ16แต่ยังไม่ประสีราษาอะไรยังเปลยกายกระโดดน้ำตุ้มกับเพื่อนอย่างสนุกสนานแต่เด็กสมัยนี้อายุ16ก็เป็นนุ่มกันแล้วท่านเล่าถึงชีวิตที่แสนลำเค็นในครั้งนั้นว่าอาตมาอาศัยอยู่กับยายลาบากลาบนมาก ต้องหาเงินเรียนเองตื่นตั้งแต่ตีสาหาบของไปขายที่ตลาดบางขามห่างจากบ้านไป14กิโลเมตรถึงตลาดตีสี่กว่าก็ยังนั่งขายของซึ่งพวกผักสวนครัวที่ช่วยกันปลูกกับยายพอตีห้าก็ขายหมดบางวันขายไม่ค่อยดีก็ไปหมดเอาเจโมงจากนั้นก็หากระจาดเปล่ากลับบ้าน หิวข้าวก็ต้องทนเพราะยายสั่งไม่ให้ซื้อข้ากินให้กลับมากินบ้านเรายายว่าซื้อข้ากินมันแพงจาละตังสามสตังสู้กลับมากินข้าวที่บ้านไม่ได้อัตมาก็จำเป็นต้องเชื่อยายบางทีกว่าจะถึงบ้านหิวแทบลมจับอยู่มาวันหนึง่งขณะที่อาตมาหากระจาดเปล่ากลับบ้านก็พบกับพี่สาวกลางทางเขากําลังท้องแก่ จะเดินทางไปคลอดลูกที่บ้านแม่ของเขาซึ่งเป็นบ้านป้าของอาตมาที่ต้องเดินทางไปคลอดบ้านแม่เพราะเขาอยู่กับพอผัวแม่ผัวซึ่งรังเกียจว่าเขาจนแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ประการใดเดินไปได้ครึ่งทางก็เกิดปวดท้องนอนร้องคลวนคลางอยู่ใต้ต้นไทรพอเห็นอาตมาเดินผ่านมาเขาก็ดีใจพูดกับอาตมาว่าน้องเอย๋ย ช่วยพี่ด้วยพี่ปวดท้องใจจะขาดอยู่แล้วช่วยเอาลูกออกให้พีดทีอัตมาถึงจะอายุสิบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาออกลูกกันยังไงผู้ใหญ่เขาเคยพูดให้ฟังว่าเขาออกลูกทางปากบางคนก็บอกออกทางสะดือบางคนก็ว่าออกทางก้นอาตมาก็เชื่อนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่แท้ก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอก เพิ่งมารู้ความจริงก่อนตอนทาคลอดให้พี่สาวนี่แหละพี่สาวก็าร้องใหญ่เขาบอกว่าปวดมากแล้วก็เป็นลูกท้องแรกจึงยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องการคลอดลูกมาก่อนได้ยินพี่สาวร้องโอยๆอัฐมาก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยถามเขาว่าจะให้ช่วยยังไงเขาก็บอกช่วยดึงเด็กออกมาจากท้องเหตดทีมันกาลังจะออกแล้ว อาตมาก็ยังงงอยู่เลยนึกถึงเทวดาก็นึกตามปราษาเด็กๆไม่รู้ว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าแต่ยายเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็คิดว่าคงจะมีมั้งเลยประนมมือบอกลุกคเทวดาประจำต้นไซให้ช่วยแล้วก็ร่ายคาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจำได้ชื่นใจแล้วท่านจึงร่ายบทชุมนุมเทวดาด้วยเสียงที่ไพเราะเพล้งว่า สเคกาเมจะรูปเปคิลิสิกะรัตเทจันตลิเควิมาเนทีเปทีเปรัตเถจะคาเมตรุวะ น, นัฆะเนเคหะวัตถุมหิเข เ, เตพุ ม, มาจจยันตุเทวาชละถะละวิสเมยักเคขคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนัง สัทโวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนรกาโลอยามัทันตาธ ร, รมสวรกาโลอยมพทันตาคนฟังพากันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่รู้สึกว่าหูของตนมีบุญที่ได้ฟังท่านร่ายพระคาถาเพราะว่าคาถาจบเทวดาเข้าสิงอาตมาเลย ที่รู้ว่าเทวดาเข้าสิงก็เพราะท่านมากระซิบคล้างหูว่าดึงเอาเด็กออกมาดึงเด็กออกมาอาตมา ถ, ถามดึงยังไงเด็กอยู่ที่ไหนเทวดาบอกอยู่ในท้องเอามือล้วงเข้าไปในผ้าถุงก็จะเจอหัวเด็กอาตมาก็ทำตามดึงพรวดสุดแรงเลยเสียงพี่สาวร้องกรี๊ดแล้วก็สลบเหมือดไปเลยอาตมาก็ตกใจ เพราะเห็นไส้ ย, ยาวๆติดตัวเด็กออกมาคิดว่าเราคงดึงไส้พี่สาวออกมาหมดท้องแล้วมั้งพี่สาวคงต้องตายแน่ๆแล้วจะทำยังไงดีหนอเสียงเทวดาก่อกระซิบที่ข้างหูว่าไม่ตายหรอกแค่สลบไปเท่านั้นไปจัดการตัดสายรกให้เด็กก่อนที่เธอเห็นนั่นเรียกว่าสายรกไม่ใช่ไส้ของพี่สาวเธอหรอกอัตมาก็ถามว่า เอาอะไรตัดล่ะมีดพระก็ไม่มีเทวดาก็บอกว่าเอาเล็บของเธอนั่นแหละจิกแน่นๆแล้วดึงมันให้ขาดเองสมัยนั้นพวกหนุ่มรุ่นๆเขานิยมไว้เล็บยาวกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นอาตมาก่อไว้กับเขาคือเขาจะไว้เล็บข้างละสองนิ้วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยอาตมาก็ททำตามที่เทวดาบอกพอรกขาดเลือดพุ่งเลย เด็กก็เสียงร้องอ้วแ้ แ, แ้ลั่นปลาเทวดาก็บอกอีกว่าไปเอาฝุนมาโรยตรงแผลอัตมาก็ก่อฝุนโรยลงไปปรากฏว่าเลือดหยุดไหลแต่เด็กไม่หยุดร้องเทวดาบอกอีกว่าเอากระบอกไปตักนะ้ำมาหยอดปากพอดีมีกระบอกไม้ไผ่อันหนึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไทรไม่ทราบเหมือนกันว่าใครนํามาแขวนไว้ อาจจะเป็นเทวดาก็ได้นะท่านพูดยิ้มยิ้มคนฟังก็ยิ้มตามข้างๆต้นไทรมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งอัตมาจึงหยิบกระบอกเดินไปตักน้ำมาหยดใส่ปากเด็กเจ้าหนูก็หยุดร้องไห้เลยดูดหยดน้ำจากนิ้วมืออัตมาเสียงดังจุ๊บจบเป็นภาพที่ซึ้งใจอัตมามาจนทุกวันนี้ ได้เห็นสัญชาตญาณการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตก็ตอนที่เจ้าหนูดูดน้ำจากนิ้วมือนี่แหละพอได้น้ำเจ้าหนูก็หยุดร้องเทวดาก็กระซิบข้างหูอีกว่าช่วยพี่สาวเธอดวนดูดปากเอาเลือดที่ค้างๆออกมาอาตมาก็เอามือง้างปากพี่สาวดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวและบ้วนทิ้งก็ไม่ได้นึกรังเกียจ เพราะกลัวเขาจะตายสักพักพี่สาวก็ฟื้นถามว่าน้องเอ้ยลูกพี่ผู้หญิงหรือผู้ชายพอรู้ว่าได้ลูกชายเขาก็ดีใจอาตมาก็เลยช่วยพากลับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกปัจจุบันนี้พี่สาวอายุเกือบห0สิส่วนหลานชายที่อาตมาทำคลอดอายุยี่สิบแล้วนี่แหละที่ทำให้อาตมาเห็นใจคนเป็นแม่ แล้วก็รักแม่มาตั้งแต่บัตรนั้นเมื่อทันเทศจบหลายคนก็แอบเช็ดน้ำตารวมทั้งโยมมารดาของผู้เทศด้วย